ขอถวายความเคารพแด่พระเถรานัตเถระขอเจริญพรแญาติโยมท่านสาธุชนมัธธมารามทุกท่านที่จริงในวันนี้นั้นควรจะเป็นการบรรยายธรรมทางธรรมดาเท่านั้นถ้าหากไม่บังเองิญว่าพรุ่งนี้สมาจะต้องเป็นทางกลับกรุงเทพ จะพิเศษมื่อไหร่ก็คือถือว่าวันนี้เป็นมันบรรยายสงท้ายในโอกาสที่มาเ่อมเย็ยนวัฒมารามแห่งนี้ความจริงเรื่องที่จะพูดวันนี้บางคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่สาคัญหรือมีความหมายในทางธรรมะคิดไปคิดมาก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าพูดไว้เกือบหมดแล้วเทสธรรมะที่มีอยู่ที่นี่ โยมก็ไปฟังจํานิทานได้หมดไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรอีกนั่งคิดจนกระทังวาระสุดท้ายเขาไปเรียกออกมาย่งจะพูดเรื่องอะไรดียิ่งจะพูดเรื่องความสําเร็จของชีวิตก็ลองถามพระดูว่าเป็นไงความสําเร็จคืออะไรท่านก็นบอกผมไม่รู้ผมก็สําเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้างเป็นปัญหานี่จะถามให้ลึกไปว่าชีวิตคืออะไร หนักเข้าไปอีกเพราะนักปราชญ์แต่ละคนให้คําตอบไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามท่านเองว่าความสําเร็จคืออะไรท่านเองต้องการความสําเร็จประเภทไหนและชีวิตของท่านประสบสจจสววความสำเร็จเพียงไรส่วนมาท่านจะตอบว่าตัวความสําเร็จนั้นบางครั้งถ้าท่า น, นอารมณ์ดีท่านมองชีวิตของท่านคดคาาใครๆก็ต้องอิจฉาเราแ น, น่ วันไหนที่เราอารมณ์ไม่ดีมองตัวเราเองมันใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำเกินเพราะฉะนั้นพูดถึงความสําเร็จความสมหวังมันจึงเป็นลักษณะสัมผัสแล้วแต่ว่าเราจะมองอย่างไรในตัวของมันจริงๆนั้นสมมติเรายกคำว่าความสําเร็จหรือความสมหวังความสมหวังกับความสำเร็จอาจจะคนละอย่านก็ได้ สมหวังคือได้สิ่งที่เราต้องการคือเมื่อระดับเป็นความต้องการเราได้รับการชดเชยหรือตอบสนองพอแต่สิ่งที่เราทำไว้อาจจะยังไม่สาเร็จก็ได้งานของชุด อ, อาจจะต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราบางครั้งถ้ากว่าเราจะมองว่า เราต้องการความสมําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งจะทําอย่างไรเป็นปัญห า, ราพระพุทธเจ้ า, ยาเองนั้นมีชื่อเดิมว่าสิทธัตถะแรือว่าสมประสงค์สมหวังสมหวังในทุกเรื่องหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่ชีวิตเราทุกคนนั้นจะได้สิ่งที่เราต้องการทุกอย่างคงไม่ได้แต่เขาบอกว่าชีวิตค่าของชีวิตนั้นอยู่ที่ผลของงาน เราดูชีวิตของคนทั้งหมดว่ามีความสําเร็จแค่ไหนนั้นดูเมื่อเขาตายนักตายคนหนึ่งผู้อย่างนั้นมันสําเร็จตรงนั้นมันจบตรงนั้นและเราประเมินได้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเขาเป็นหรือเขาทําอะไรมาบ้างถ้าเขายังไม่ตายเขายังจะต้องทําต่อไปเขามีอะไรที่จะต้องแอ t c o m p l e t เขาจะต้องมี achievement ที่ต้องพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นมันจึงเหมือนกับเรือที่ไปในแม่น้ํา เือนของมันจะต้องตามไปอยู่เสมอเมื่อใดเรือหยุดเพื่อนจบเมื่อนั้นนั่นคือความสําเร็จของชีวิตซึ่งเราจะประเมินได้สำหรับคนคนนั้นแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าท่านต้องการอาชีพเม้นอะไรบ้างความสําเร็จในงานแต่ในชิ้นที่ท่านทานั้นท่านพอใจแค่ไหนเพียงไรถ้าท่านมีต้นไม้สักต้นหนึ่งปูกต้นไม้เนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรให้มัน ง, งามอย่างดี เราเทียบต้นไม้นี้สําเร็จแค่ไหนดูว่ามันเจริญเติบโตพัฒนาศักยภาพสมกับเป็นต้นไม้ประเภทนั้นหรือเปล่าไม่ใช่แกล้ไม่ออกผลออกดอกถ้าจะสรุปว่าชีวิตประสบความสำเร็จยังไงก็คือชีวิตที่เติบโตเต็มที่และทําหน้าที่หรือฟังก์ชันของมันอย่างสมบูรณ์และในขณะเดียวกันมีความสุขสมมติแบ บ, บแบบชาวโลกแบบบ้านๆ น, นั้นเขาบอกว่าชีวิตที่ฉันต้องการนั้นก็มีอะไรมาก มีบ้านอยู่ที่ทางานแรงต่างให้มีบ้านอยู่มีคู่ค้ามีข้าวกินมีส er, ินใช้ขาดอย่างไรอย่างหนึ่งยังไม่สำเร็จทมดอย่งางนั้นแต่ที Robinson ่จ <c oughs> ริงพอหรือมีเงินมีเกียรติ <M> <teen> มีอะไรต่างๆถ้าวิเคราะห์ก<m อ>ันนั้นเราหาสิ่งเหล่านี้นั้นเพื่อเป็นเป้าหมายและเราต้องการที่จะให้ได้มา ถ้าเราได้มานั้นเราประสบสำเร็จหรือไม่นักปราชญ์คนหนึ่งเชื่ออริสโตเติลเขาบอกว่าคนบางคนนั้นแสวงหาสิ่งต่างไม่เหมือนกันถ้าเราสาเร็จหรือสมหวังนั้นหมายถึงว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการเราต้องการอะไรบางคนต้องการความสนุกกินดื่มรื่นเริงเสียแต่วันนี้ใครจะรู้บ้างว่าพรุ่งนี้เราจะตายหรือไม่สนุกบางคน ไม่เอาหาเงินอย่างเดียวทำงานแบกจอบไปได้เงินมากพอใจหาเงินบางคนได้เงินแล้วทำเข้ามาในอะไร a ซเ c ี i ลแอคทิงานสังคม ส, ง, ง, ง, ง, ง, สมงเคราะห์บางอะไรต่างๆบ้างสมัครผู้แทนบ้างเป็นสสบ้างอะไรบ้างเกียรติยศบางคนมีทั้งความสนุกมีทั้งเงินมีทั้งเกียรติ พอใจไหมเขาไม่พอใจเขายังขาดความสุขความสำเร็จมีแต่ความสุขไม่ ม, มีเขาก็ไม่พอใจฉะนั้นความสุขคืออะไรอ น, นีโเตบอกว่าถ้าเราดูความสนุกถ้าเรามีแต่ความสนุกหาความสนุกเป็นวันหนึ่งกินดื่มรื่นเริองอะไรต่างๆไปชีวิตมีคุณค่าเติบโตสมบูรณ์ใหม่สมกูบชีวิตใหม่ เขาบอกว่าไม่เพราะแมวมันก็ทําได้วัวมันก็ทําได้มันสนุกกินหญ้าอ่ อ, อนวิ่งโอคึกแต่ชีวิตเรามันไม่ได้หยุดแค่นั้นมันน่าจะมีความหมายมากกว่านั้นหมายความว่าชีวิตเรามีหลายมิตินั่นเองชีวิตที่สำเร็จหนึ่งชีวิตจะต้องพัฒนาศักยภาพในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตให้สมบูรณ์พัฒนาเต็มที่ สอพือพัฒนาได้แล้วนั้นทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ด้วยและสามมีความสุขด้วยถ้าเรามีแต่วความสนุกมันก็ไม่ต่างจากแมวกินแล้วก็นอนหลับปุ้ยปุ้ยแล้วหลับสบายหลับอ่าถ้าอย่างนั้นหาเงินพอหาเงิ น, นหากันใหญ่งานได้เงินมาก และบางทีก็มองอะไรเป็นเงินไปนหมดแต่เงินไม่ใช่จุดมุ่งหมายเงินไม่ใช่ความสุขเงินเป็นเพียงวิถีทางที่เราไปซื้อสิ่ ง, งต่างๆเราไปแสงหาสิ่ ง, งต่างๆบางทีเราได้เงินมากแต่เราซื้ออะไรไม่ได้คนบางคนต้งมองอะไรเป็นเงินหมดตีค่าของความสัมพันธ์ด้วยเงินตีค่าของสิ่งขอ ง, งต่างๆของงานทั้งหลายต่างด้วยเงินและคิดว่าเงินนั้นคือคําตอบทุ้สิ่งทุกอย่าง กลับมาบ้านคิดแต่เรื่องเงินไปทำงานคิดแต่เรื่องเงินคุยกับใครก็ปวดมากอุดมนีคิดแต่เรื่องนั้นก<ม>็จะเหเมือนกับเศรษฐีคนหนึ่ง<ม>บ้าทองคำหูอยากได้ทองมาหาเก็บสะสมใหญ่เสร็จแล้วเทวดาประจำบ้านลำคาญาขึ้นมาก็เลยปรากฏตัวแวบต่อหน้าเศรษฐี ถามบอกว่าทําไมสะสมจะทองคําอย่างกตลาดหุ้นอ่ะนี่แหละพระเจ้าแล้วเงินคือพระเจ้าทองคํานี่ไม่ตกนะมดอลลาร์อาจจะตกทองไม่ตกเก็บใหญ่เทวดาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะช่วยจะเอาทองคำํำทั้งหลาจะจะในมิตรมาให้หมดสตีบอกโอ้ในมิตรทั้งหลามันก็ไม่พอหรอกเทวดาหาวิธีใหม่นี่เป่าทํายังไงช่วยให้ได้ ทองทั้งหมดเลยทเทวดาเอางี้สิจะเศษให้นิ้วคุณเนี่ยเป็นนิ้ววิเศษชี้อะไรเป็นทองหมดอยากได้อะไรให้เป็นทองนะชี้เลยเอาไหมเศรษฐีบอกเอาก็เลยเทวดาก็ให้ผ่นนิ้วนั้นเป็นนิ้วพิเศษชี้อะไรได้เป็นทองหมด แต่ว่าต้องให้พวกนี้นะคือหมายความว่าไม่ใช่ไม่ใช่นิ้วไม่ใช่ชี้อย่างเดียวจับด้วยจับอะไรก็ได้ชี้ก็ได้จับก็ได้พอจับปู๊เป็นทองปั๊บแต่ว่าต้องให้ตะ ว, วันขึ้นพรุ่งนี้ก่อนถึงจะเป็นอย่างนั้นทงนี้จะมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์เศรษฐีก็เลยรีบนอนใจก็เอ้ยพวกนี้มันจะเป็นทองหรือเปล่าน้องรีบนอนตื่นขึ้นเช้าตื่นขึ้นมาพอตะ ว, วันขึ้นแนละ้วจับพระหม่มโอ้ทำไมมันแข็ง เป็นทองจับเตียงแข็งเป๊กเดือเป็นทองหมดตื่นขึ้นไปจะล้างหน้าจับแก้วน้ำเป็นทองน้ำที่เท ล, ลงมาเป็นทองไปตักข้าวจะทานช้อนเป็นทองแล้วพอใกล้ปากแข่งเป๊กเป็นทองเข้าไปในสวน มีต้นไม้ที่เคยชมโอหกุหลาบงามเหลือเกินใครมันไม่ลดน้ํามันไม่เด็ดกิ่งตรงนี้อ็นหนามตรงนไปท้ายๆกระจงจับปั๊บกุหลาบกลายเป็นทองคํางงแล้วทีนี้พอดีสักสักครู่หนึ่งลูกหลานสาววิ่งมาตัวเล็กๆวิ่งมาถือดอกกุหลาบทองคํามาให้ปูกบกปลูกปลูกทำไมดอกไม้มันแข็งอย่างนี้มันไม่หอมเหมือนเดิมร้องไ ห, ให้ใหญ่ปูกก็เลยปลอบปลอบหลานอุ้มขึ้นมา เป็นทองอีกคำตอบยู่ไหนคำตอบก็คือว่าเพียงเงินเพียงทองนั้นมันไม่ได้ให้ความสุขทึงแม่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมีมันเป็นเครื่องหมายมันเป็นทางผ่านบางทีเรามีเงินทองหมดมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ชีวิตก็ไม่ประสบสำเร็จขาดความสุข ฉะนั้นในประเด็นนี้ก็คือว่าเงินเกียรติศักดิ์สิทสมมติพูดถึงเกียรติบางคนไปแสวง ห, หาเกียรติต้องการการยอมรับทํางานในสังคมต้องการมีชื่อเสียงความรักอะไรต่างๆแต่เขาบอกมันก็เป็นเตียงทางไปสู่ความสุขและไม่ใช่ทางตรงเลยสมมติถ้าท่านอยากจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐมีอำนาจมีการยอมรับ ท่านจะต้องหาเสียงเท่าไหร่ประจบคนว่ากี่คนตั้งแต่พายโน้ยกว่าจะผ่านมาแต่ละขัน้นมาเป็นดูการกิฟกับบุชหนึง่งผ่านเมกิดานต้องการการยอมรับต้องการอะไรต่างแต่สักวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับท่านเขาไม่สนับสนุนท่านความสุขของท่านก็หายไปทํา้วยให้เขายอมรับ ต้องพบคนนั้นวิ่งหาคนนี้อะไรต่างติดต่อสารพัดสรรพันธ์ทำเสร็จแล้วเ้าด่าไม่สุ ข, ขแล้แล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนความสำเร็จมันอยู่ตรงไหนเหลียวขวาก็แลหายเหลียวซ้ายก็มองไม่เห็นจบดีกว่าถ้าอย่างนั้นบางคนบอกเอางี่สิความสุขอยู่ที่ ใจสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนี่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสยถ้าไม่ถือก็เป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์พบทุขใจปล่อยวางได้ไม่มีทุกข์พบสุขเลยแล้วมัอยู่ที่ใจละ่ะเป็นยังไงเอาแบบเดอจีนิสไหมเงินก็ไม่เอา ชื่อเสียงก็ไม่ออกเอาแต่ความสุขอยู่ง่ายๆสุนักมันไม่ต้องการอะไรมากเมื่อเช้าแมววิ่งสุสโนโนลงแมววิ่งช่วยมีความสุขเล่นสโนโถ้าออกไปไหนไม่ได้ไดโอเจนิสอยู่แบบนั้นสมัยพระเจ้าเลคันเดอร์มหาราช อันนี้คันเดิมมหาราชลบทัพทั่วไปตั้งแต่ยุโรปไปถึงโน่นอินเดียร่่่่่่า่่่่่่่่่่่่า่่่่่า่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ น, น, น, น่่่่่่่่่่่่่่่่ า, า่่่ม่าท่งมา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่น่นน่่่่่่่ย่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่ น, น่ น, น่่่่่่่่ีค่าม่าม่่มากอ่ล่กล่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้า่่่่่่่แล้วก็ถาม่อกว่า คุณทำไมจนหรือเกินนี่อภัอยเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาเห็นเข้าหาประเทศฉันยากจนฉันวิ่งอยากาพัดคุณต้องการอะไรบอกมาจะเนโรวิสให้ทุกอย่างเดโอเจนิสบอกว่าขออย่างเดียวตอนนี้ชักมาไปให้เป็นคนมันบงังแดดหนาวเพราะนั้นมีความสุขเลือยสิงแดดอาบแบดดเป็นอย่างนั้นไหม ไม่ออกถ้าอย่างนั้นในทัศนะจริงๆนั้นชีวิตจริงๆนั้นต้องการอะไรคำตอบก็คือว่ามีแต่เงินอย่างเดียวก็ไม่พอไม่มีเงินเลยอยู่แบบเดโอดินิสเราก็ไม่ออกมีเกียรติก็ไม่ต้อการเราต้องการคอมบิเนชันบูรณาการออกทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ต้องไม่หนักไปในทางใดทางหนึ่ง ต้องไม่หนักกันในทางใดทั้งหนึ่งชีวิตคืออะไรชีวิตประกอบด้วยขันห้าร่างกายกับความรู้สึกและจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทํางานนั้นจะให้สบผลเร็จนั้ น, น, นต้องเป็นงานที่เราทำทางกายด้วยและทําใจด้วยสิ่งที่สนองความต้องการของเรานั้นที่จะทําให้เราพัฒนาได้นั้นจะต้องพัฒนาทั้งองค์ประกอบทางกายและทางใจความสุขกายและสุขใจ เพราะฉะนั้นชีวิตถ้าเป็นสมมติ่ถ้าเป็นต้นไม้ที่งามสมบูรณ์นั่นจะต้องพัฒนาทุกส่วนทุกกิงก้างคนเราประกอบด้วยสิ่งที่จะต้องพัฒนามีอะไรบ้างพระเจ้าตรัสว่าพัฒนาสี่ด้านทางกายทางสังคมเรียกว่าศีลกายจะพัฒนาศีลพัฒนาจิตจะพัฒนาและปัญญาพัฒนาเรือกปัญญาภาวนาทั้งหมดกายะภาวนา สีลภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนาพัฒนาทางกายทางสีหรือสังคมทางจิตคืออารมณ์และปัญญากายสังคมอารมณ์และปัญญาถ้าพูดง่ายๆบางคนมีทุกอย่างแต่กายได้พัฒนาป่วยกระสาะ ก, กระแสะอดหยาดหยาดโอนอยู่โอนโอนโองจ้าและจะเป็นไปได้ไงที่จะมีความสุข เพราะฉะนั้นผู้สนาถ้าหากว่าเรายังไม่สละโลกเรายังต้องพัฒนาทางกายพัฒนาทางเศรษฐกิจให้อยู่ดีกินดีพัฒนาทางสังคมที่ทำให้เราปรับตัวเข้ากับคนเข้ากับสังคมได้พัฒนาทางอารมณ์ที่มีความมั่นคงสม่ำเสมอแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยมันเกี่ยวข้อกัน กายเวทนาไอกายอารมณ์สังคมปัญญาเนี่ยมันสัมพันธ์กันจะต้องพัฒนาให้สมบูรณ์จะไปเน้นทางใดทางหนึ่งไม่ได้บางที่เราไปหนักทางด้านทางใดทางหนึ่งเหมือนอย่างที่หาความสนุกสนานเราก็ไปให้แต่วความสนุกทางกายไม่สนใจไม่สนใจทางกายทางว่าทางใจถ้าอยางนี้อาอย่างนี้สิเอาเป็นว่าในลักษณะนี้นั้นบางคนนั้นกายไม่พัฒนา แต่ใจเขาดีก็ยังช่วยได้บางคนนั้นแยกกันกายกับใจแยกกันพัฒนาบำรุงบําเบร์กายอย่างเดียวใจไม่พัฒนามันก็เป็นปัญหาแต่ที่เมืองไทยมีพระองค์หนึ่งอระัยใจนำสมานนึกถึงวิลเลียมเจมส์นกักจิตวิยาเลยนันกปรัชญาชาอเมริกัน รวปฏิบัตินิยมเขาบอกว่าปกติเนี่ยเจตนาหรือความรู้สึกนําการกระทำยูรินเจมส์ว่อย่างนั้นความรู้สึกนําการกระทําแต่จริงๆแล้วการกระทําก็นําความรู้สึกด้วยการกระทําก็นําความรู้สึกด้วยกายเน้นําความใ น, น้นํางจิตด้วยถ้าวันไหนท่านทํำท่ารื่นเริงแจ่มใส ก็ฉับกระเฉงวิลเลียมเจนส์บอกว่าจิตใจนั้นก็จะพลอเบิกบานแจ่มใสไปด้วยมันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นร่างกายที่แจ่มใะหรือสดใสมันจะทําให้จิตใจนั้นเบิกบานไปด้วยและถ้าหากว่าเราทําท้ากระจับกระเฉงกระตือรือร้ น, รนเราก็ไม่โอถูในจิตใจ เมื่อเราทำได้อย่างนั้นเนี่ยทำไงถึงจะควบคุมทำใจทาร่างกายบางทีใจของเราเนะี่ยควบคุมไม่ได้อารมณ์มันตกต่ำแต่กายของเราควบคุมได้เขาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งมีความทุกข์มากๆสามีตายลูกสองคนไปสงครามตายหมดเสียใจมากๆเลยหมดสิ้นทุกสิงทุกอย่าง ในหมู่บ้านนั้นใครก็ส่งสารแสดงความเศ้าเสียใจพอเสียใจดนานเข้าผมเริ่มเงาะสามีไม่มีลูกชายไม่อยู่ช่วยสพอร์ตต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวตัวเองนะก็คิดจะสมัครงานทำเศ้าอยู่หลายเดือนก็เลยไปหาร้านถ่ายรูปบอกช่วยถ่ายรูปหน่อย เพราะจะไปสมัครงานถ้าไม่มีรูปสมัครงานไม่ได้ช่างถ่ายรูปก็อเอาผูา้หญิงคนนั้นซึ่งเศร้ามากมานั่งพอจะถ่ายรูปอ ม, มองนั่งเอียงไปกล้องเลยหันมาทางนียจับตามภาษาช่างภาพทั้งหลายเพ่ง ธรรมดาช่างภาพสีมืออาชีพอย่างนั้นจ้องอยู่นั่นแหละเป็นคนพูดเขิน <c oughs> พูดไม่เคยออกพอครั้งที่แล้วมีภาพานีอเ่าว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงอาไปนะยังเล่าไม่จบ ไม่นี่พูดถึงในเรื่องเมื่อกี้เนี่ยว่าอย่างนี้พอเขาเขามองเขาเพ่งม า, มากๆเขเห็นผู้หญิงคนนั้นไม่ยิ้มเลยแกก็บอกเอายิ้มหน่อยคุณนายยิ้มหน่อยคุณนายบอกฉันยิ้มไม่ได้ถ้าคุณรู้ว่าเชื้อขงฉันนั้นมันเศร้าเพียงไรนะคุณจะไม่บังคับให้ฉันฝืนยิ้มเลยคนถ่ายรูป ก, ก็บอกว่าคุณนายหน้ายอย่างนี้ถ้าถ่ายรูปออกไปไม่ยิ้มหน่อยเนี้ย ใครที่ไหนเขาจะรับเขาทำงานบอกบุญไม่รับอย่างนี้ยิ้มหน่อยแกก็เลยต้องฝืนยิ้มในช่วงขณะที่ฝืนยิ้มเพื่อถ่ายภาพนะแกไม่เคยยิ้มมาสี่เดือนแล้วพอยิ้มเพราะนั้นเนี่ยจิตใจมันเปลี่ยนมันสดใสสว่างสวขึ้นมาทันทีความรู้สึกมันดีขึ้น เพราะฉะนั้นกลับแล้วเสร็จแล้วคนถ่ายภาพบอกคุณนายยิ้มสวยชมหน่อยหูกลับมาบ้างสองกระจกยิ้มใหญ่ <c oughs> จนยิ้มสวย <c oughs> เสร็จแล้วพอยิ้มทีไรดูกระจกทีไรนะสดชื่นแจ่มใส ด, ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาแกก็ฝืนยิ้มฝืนยิ้มในที่สุดมันก็กรปรี่กระเป๋าสดชื่นจิตใจก็ดีขึ้น อย่าที่เขาบอกว่าไงพอเรายิ้มแล้วสดชื่นแจ่มใสโลกก็หันมายิ้มให้กับเราถ้าเรารถ้าเรายิ้มให้โลกโลกก็ยิ้มกับเราเราหัวเราะโลกก็หัวเราะให้กับเราถ้าเราร้องไห้ร้องไห้คนเดียวแต่อย่าหัวเราะมากๆเพาว่าบ้าเขาไม่หัวเราะด้วยฉะนั้นในลักษณะนี้เมื่อเราฝืน ยิ้มในยามที่เรากระชนไัยเจอไผ่หลวงวิจิตวาสการเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันมีจิตมั่นยิ้มได้เมื่อไัยมาฉะนั้น อย่างที่วิลเลียมเจนพูดนั้นก็คือว่าร่างกายกับจิตใจสําพันธ์กันแต่ใจก็สัาพันกับกายพุทธศาสนาพูดถึงลักษณะของความสัมพันธ์นระหว่างกายกับจิตเหมือนกับคนขาติดนยะกับคนตาบอดคนหนึ่งตาบอดแต่ขาเดินได้อีกคนหนึ่งขาติดแต่ตาดีสองคนนี้จะไปด้วยกันเดินทางด้วยกันทางไหคนขาติดก็ต้อง เอามือกอดให้ให้คนตาตาดีขาดีแต่ตาบอดอุ้มไปคนขาติดก็คอยดูทางให้กายก็จิตสัมพันธ์กันอย่างนั้นพูดถึงโรคโรคหลายโรคนั้นเป็นโรคทา ง, งจิตใจเขาบอกว่าคนที่ความดันสูงนั้นส่วนใหญ่มักโกรธรหงุดหงิดง่ายลักษณะจะเป็นอย่างนั้น s e n ส i ต i ิ e แพร่ว่ายอย่างนั้นฉะนั้นทำยังไง บางทีถ้าเราจิตใจดีนะายของเราก็จะเข้มแข็งไปด้วยที่เมืองไทยนั้นมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นมะเร็งเป็นท่านสมเด็จจะเป็นสังราษองค์ต่อไปเนี่ยไม่บอกเขาใครใครดูเองใครก็ถ่ายว่าจะไม่ได้เป็นสังราษนะเป็นมะเร็งกับสิบปีมาแล้ว เป็นมะเร็งทีนี้อทอยังไงดีก็ถือเคร็ดโบราณคือท่านคนนี้จะไม่ยอมผ่ารักษาแบบโบราณผ่าแล้กวกลัวจะไปมัน ก, กระจายถ้าทำแบบโบราณนี่ถือว่าสร้างวัดงานอะไรที่ถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วยังทำไม่สำเร็จนะั้นมันจะมีกำลังใจทำต่อท่านก็ไปที่ชลบุรีสร้างวัดวัดหนึ่ง ชื่อวัดยาณสังวรารามสวยงามมากในหลวงเปิเดเปิดสร้างกี่ปีเกบสิบปีสร้างมาอย่อยางนั้นเนี่ยทางวังก็ส่งเงินอุปถัมภ์อะไรต่างๆสร้างไปโรคไม่หายมาหยุดสร้างพรากฏว่ามาฉลองมาเมื่อปีที่แล้วฉลองวัดและ ีนี้หรือต้นปีหน้าก็เป็นสังขรานะรน่ะไข่อ้าวตุมามันได้บอกอันนี้สัมพันธ์กันพูดมานี้เพื่ออะไรเพื่อจะบอกให้อะไรว่ากายกับใจสัมพันธ์กันบางครั้งเราหดหูเราช่วยเมื่อเราเจอปัญหาในสภาพทุกคนทุกชุดนั้นจะต้องเจอปัญหา บางครั้งเราท้อแท้เราคิดว่าชีวของเราไม่ประสบความสำเร็จเราไม่สู้ทุกคนมีประสาคเมื่อมีอประสรทแล้วทาอย่างไรสิ่งที่อาจพูดนั้นอาจารยจะบอกประการที่หนึ่งนั้นอุปสรรคหรือปัญหามันจะต้องมีชีวิตพุทธิยถาต่อเราเป็นทุกข์ในมิติหนึ่งชีวิตเป็นทุกข์และเมื่อชีวิตเป็นทุกข์คือวิธีหนึปัญหานั้นทําอย่างไรประโยชย้อมต่อปัญหาอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่สยบยอมต่อปัญหาแต่ทำอย่างไรถึงจะคนถูกแก้ปัญหาได้บางคนนั้นหลบปัญหามีความทุกมามาด้านนี้ไปด้านโน้นหลบไปทางโ้นทางนี้และบางทีปิดหลอกตอนเองว่าไม่มีปัญหาไม่เผชิญหน้ากับปัญหาต้นไม้ซึ่งบางต้นนั้นเจอแต่ฝน แล้วดูผลผลมากตลอดมันจะฟ้ามในต้นไม้ที่เจอแต่แดดที่เจอแต่ความแห้งแรงจะแกรงต้นไม้ที่สมบูรณ์คือไงคือผ่านทั้งฝนทั้งร้อนตัดต้นไม้ใหญ่ๆท่านจะเห็นวงปีอยู่ข้างในเป็นวงวงนั่นคือว่ามันผ่านแล้วดูร้อนมากี่ครั้งมันแกรงไปเท่าไหร่นั่นแหละเป็นแกนของต้นไม้ ชีวิตมันจะต้องมีทั้งสองด้านต้องผ่านวงปีต้องผ่านปัญหาต้องผ่านอุปสรรคไม่อยากจะพูดเรื่องกระท h o n คนจำได้แล้วนั่นแหละอย่างนั้นแหล ะ, ะยังไม่ได้ฝังโ้สบายเขากัดกระทอน n ใคระขัดยกมือแล้ว กระท้อนใหม่อันนี้อินพ็อตคือพูดถึงชีวิตเขาใช้คําว่าเวลาที่ท่านต้องการความสําเร็จนั้นสิ่งที่ขัดขวางความสําเร็จของท่านเราเรียกว่าอุปสรรคภาษาจีนาเรียกอุปสรรคท่านต้องการความสําเร็จในงานชิ้นหนึ่งแต่มันมีอุปสรรคทํายังไงทิ้งเจตนาอุปสรรคนั่นคือความทุกข์ภาษาพระเรียกว่ามานมานผาจญ มานคือเพชฌฆาตหน้าหยกมานแปลว่าผู้ฆ่าค่าความพยายามที่เราลงทุนอะไรต่างๆให้เราทําไม่สําเร็จนั่นคือประสาททางไปสู่ความสําเร็จมันไม่ราบรื่นเพราะมีมานชีวิตที่หลบจะไปทางนี้อ๋อเจอปัญหาหลบเดินทางนี้ดีกว่าทางนี้อ๋อโอ้ยากไปจุดหมายมันอยู่ตรงนู้นแต่เราจะไปทางนี้อ๋อเจอปัญหาอ้อมไปทางนี้อ้อมไปนี้เจอคนหนักไปทางนู้น ในสุดไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็นอนอยู่กับบ้านเท่านั้นเองคงสโนโ ล, ลงแล้วมาไม่ได้แล้วฮะมานมานคือสโนโนะแต่ให้คณไม่มาฟังเพศความสเร็จในการฟังก็ไม่เกิดทีนี้ในกรณีอย่างนี้ชีวิตจริงๆนั้นจะต้องฟาฟันบุกไป บุกไปข้างหน้าไม่หลบปัญหาเมื่อไปข้างหน้านั้นมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นอุปสรรคหรือมานั้นเป็นเครื่องรับประการแห่งความสำเร็จปราบไปได้เท่าไรชนะไปได้เท่าไรใกล้ความสำเร็จไปเท่านั้นใช่ไหมมองบ้างหลังโอโมานตายเกินแสดงว่าใกล้แล้วถ้ายืงอยู่ข้างหน้าเต็มกระบอกอีกไกลมันเป็นเครื่องวัด ฉะนั้นชีวิตที่สู้ชีวิตที่เผชิญอุปสรรคนั้นปีบันไดขึ้นเหนื่อยเท่าไรกี่ขั้นได้มากเท่าไหรนั้นใกล้ความหวังเข้าไปเท่านั้นแต่มองมาแล้วเราไม่เคยผ่านอะไรมาเลยนี่นอกจากจะไ ก, กลความหวังแล้วยังอ่อนแอด้วยภาษาพระเขาเรียกว่ามานไม่มีบารมีไม่แก่พทธเจ้าถ้าไม่มีมานไม่เจออุปสรรคไม่พัฒนาตนเอง ก็ไม่สามารถจะไปถึงโพธิญาฉะนั้นก้าวแต่และก้าวที่เราไปนั้นต้องผ่านว้าวที่ขึ้นสูงเพราะมีลมใต้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าเพราะมีอุปสรรคผ่านอุปสรรคมาแต่เราแข็งเพียงไรมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราพัฒนาตนเองแค่ไหนและชนะเพียงไรเพราะฉะนั้นอย่ันมีปัญหา เป็นว่าวที่ไม่หนีลมเจอปัญหามากก็จะเหมือนกระท h o n เข้าแล้วกระท้อนนั้นยิ่งทุบยิ่งหวานเอามาทานทันทีนั้นงั้นหวานกระท h o ตอนช้ำทำให้คิดแต่ชีวิตชอบช้ำไม่ช้ำหวานกลับชุ่มชื้นโชลนาอุราราน เชิญนิจจาร์กันบ้างทป็นผู้ฟังกระท้อนยิ่งชำ้ำยิ่งหวานชีวิตยิ่งชำ้ำไม่หวานแต่ฉลาดเข้มแข็งบางคนบอกโอ้สงสัยยิ่งชำ้ำยิ่งหวานทุกข์กันใหญ่อย่าสรุปอย่างนั้นหนึ่งร้างความเข้มแข็ง ประสบการณ์ความฉลาดอะไรต่างๆนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเก้าวไปข้างหน้าล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ก้าวไปมาสําเร็จอยู่ข้างหน้าเรามีเป้าหมายพูดถึงเป้าหมายเป้าหมายที่เราต้องการนั้น มันจะมีทางทางหนึ่งซึ่งไปอยู่เป้าหมายเขาเรียกว่าทางสายกลาง mm. เป้าหมายทุกอันนั้นมันจะมีทางสายกลางนิพพานเป็นเป้าหมายสมมุติของชาวพุทธทุกคนมัชแปดมัชชิ ม, มาปฏิปทาเป็นทางสายกลางไปถูกเป้าหมายใครที่หลบทางสายกลางนั้นพลาดเปา้าฟัม ต้องการหรือจุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จแต่ละขั้นนั้นเราบอกไปเลยแล้วแต่คนต้องการชื่อคนแต่ละคนนั้นบอกไม่ได้ว่าเขาควรต้องการอะไรอาชีพแม่งก็แต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันเด็กที่กำลังเรียนหนังสือเขาต้องการจบไฮสคูลผู้ที่เรียนมหาวิทยาลัยเขาต้องการจบมห า, าวิทยาลัยเพิ่มแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นมันมีเป้าหมายแต่จากจุดที่เรายืนอยู่กับเป้าหมายแต่ละขั้นหรือบันไดแต่ละขั้นนั้นมันจะมีทางสากลางอยู่ไมัใชิมหาปฏิปทา คำว่าทางสายกลางนี่แหละคือกุญแจก็จะพูดเรื่องนี้ขอเขาวกกลับมาตรงคําว่าถ้าท่านพัฒนากายอย่างเดียวลืมเรื่องสังคมเอาแต่สนุกไม่มีสังคมอารมณ์ไม่ดีปัญญาไม่พัฒนาสุดโตงด้านหนึ่งกายถ้าท่านพัฒนาทางใจอย่างเดียวมีความสุขใจเดียวเหมือนเหมือนกับไดโอเจนิสซี่งนอนอยู่ริมกําแพงให้อเล็กซานเดอร์ ม, มาทักนั้น สุดต่องอีกด้านหนึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นจะต้องทางสายกลางทีนี้ ค, าคาําถามทุกคนมักจะถามเสมอว่าทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางวัดกันตรงไหนบางคนบอกเอางี่สิทางสายกลางกับป็ยากอะไรวัดมุมสองด้านนี่มุมหนึ่งนะนี่มุมหนึ่งนะสุดโต่งเอ็กซ์ตรีมทั้งสองด้านแล้วก็จากเอ็กซ์ตรีมหรือสุดต่งทั้งสองด้านนั้น วัดมาระยะเท่าๆกันนั้นมาจบกันนั้นคือจุดกลางแสดงว่าถ้าเราจะหาทางสายกลางนั้นเราจะต้องหาสุดตรงสองด้าน้ะก่อนใช่ไหมพระุทธเจ้าสอนให้ทางสายกลางเพราะฉะนั้นขับรถไปมีสองเลนชนิ่งเลนกลางมันมีเกาะกลางถนนชนิงเกาะกลางถนนชาวพุทธที่ดีทางสางยกลางนั้นเลยเอาสมมุติว่าเธออยากจะรู้ว่า ทางสายกลางในการทานอาหารนี่ตรงไ้นบางคนเป็นเด็กเล็กๆเด็กผู้หญิงเล็ ก, ก, ก, ก, กทานชามเดียวนักเพาะกล้ามนักเพาะกายที่จะเล่นกีฬาโอลิมปิกแปดชามเราทางสายกลางเอาสี่ชามอย่างนั้นเลยคนหนึ่งใช้เงินวันละสิบเหรียญอีกคนหนึ่งห้าร้อยเหรียญ เราเอาทางสายกลางตองท่านพิหารณาสมมุติท่านหนึ่ไนะนงไหบางคนพูดเสมมติจะพูดบางคนพูดพูดพอดีเนะี่ยพูดขนาดไหนกี่ชั่วโมงเขาเชิญไปงานเนี้ยเอาขนาดพอดีพอดีทางสายกลางนี้เท่าไร่พราะคาลองดูสิคนแต่ละคนที่พูดเนี่ยอ่อใครที่พูดนานที่สุดหลวพระเทพ อาตมาจะมาเทศวันนี้บนยายนวันนี้ทางสายกลางพอดีพอดีกี่ชั่วโมงอ๋อดูสถิติจากกินเนสบุ๊คมันทุบกันเลยเพีสิพระที่เทศนานที่สุดในโลกกี่ชั่วโมงเทศสั้นทีสุดเท่าไหร่แล้วอาตมาอยู่ตรงกลางปรากฏว่ากินเนสบุ๊กบอกว่าพระที่เทศนานที่สุดในโลกเป็นบาทหลวงเทียงกฤษเทศในโบสคริสชื่อดรดรโทมัส เทพในโบสถ์เทศตั้งแต่วันอาทิตย์ไปอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธสี่วันไม่จบไม่หยุดโอ้โหเขาลงบันทึกเลยเทศนานที่สุดเคยคิดจะไปทำที่เมืองไทยบ้างสมมติถ้าพระเมืองไทยไปเทศนะทเทพ ย, ยาวๆอย่างนี้ไปไงแคบเดียวหมดแหละทำให้ปิดประตู สอ ช, ชั่วโมงนี่ได้แย่แล้วมีหลวงพ่อคนหนึ่งปรเทศหลับตาหรือคุณเป็นสลาเพื่อหลับตานอกบัดนี้อมตม่ อ, มอพอ่อยกนบประทอนคนก็ลืมหลับไปหลับตาไปชั่วโมงลืมตาขึ้นมาข้างหลังหายไปครึ่งสลาหลับต่อเดี๋ยวจะให้หมดสลาใได้หลับตาต่ออะไรอีกชั่วโมงลืมตาไห เหลือคนเดียวหลือลุงแก่คนวันนี้ประหลาดเหลืออยู่ได้เอาต่ออีกหลับตาต่อไปอีกชั่วโมงเลืมอมาฮะยังเหลืออีกวางลำเพลเลย ไ, ไม่โยมนี่เยี่ยมจริงๆนะตั้งแต่เพศมาเนี่เพิ่งเหลือโยมคนเดียวในเ น, เ น, เนสลาเนี่ยหลายงานแล้วโยมก็หมองนะหงพ่อเมื่อไรจะจบสักทีหอผมยั ง, งได้ติดประตูสลาเพศนานไม่ได้เมืองไทย สรุปสี่วันได้อย่างงั้นเทศพอดีวัดีสองวันเหรอไม่ได้ไม่ใช่ทางสายกลางเมื่อเร็วๆนี้วันที่เจ็ดโกชอบมาปราสายเจ็ดหรือแปดเจ็ดมาที่นี่สายของปราสายที่ u ูเอับข่าวธรชาติสมมติถ้าโกเบชอพูดทางสายกลางแบบปราสายกี่ชั่วโมงดีดูสถิติของสหประชาชาติ ประมุก ข, ของประเทศที่พูดนานที่สุดในสนามประเทชาติเวลาปราศัยครั้งใหญ่เลยนะคือฟิเดลคาสโตรหงคิวบาฟิเดลคาสโตรหงคิวบานั้นพูดเมื่อปี2503พูด4ชั่วโมงครึ่งลองคิดในเวิร์ลบอดี้ในที่ประชุมใหญ่4ชั่วโมงครึ่งนี่โหหนักนะถ้าอย่งั้นก็ไม่ชอบพูด4ชั่วโมง2ชั่วโมง แนดินพลมเงินงที่บ้านไม่รีบกลับได้งไงเมื่อจะพูดอยู่สอสอเมืองไทยจะพูดกี่ชั่วโมงเวลาปลาใสยดูกินเนสบุ๊กอีกปรากฏว่าสม า, สมาชิกรัฐภาเนี่ยที่พูดนานที่สุดในโลกนั้นติดอันดับนั้นคือท่านบุธิสมาชิกเวนแห่งรัฐโอเรกอนของสหรัฐเวนจริง ราสายในรัฐสภ า, าเมื่อ 2,496 ตอนนั้นเขาจะผ่านร่างาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ น, น้ำมันขวาใยสยืนปรสาสัยโดไม่นั่งเลยติดต่อกัน22ชั่วโมงครึ่งจินเฟิบุกคบนจุไปเลยแล้วภาวนาแยะว่าอย่าให้ใครพยายามทำลายสติเลยสงสารเพื่อนสมาชิกเพราะงั้นทารสายตาอยู่ตรงไหน ทางสายกลางไม่ได้วัดว่าใครพูดยาวที่สุดใครพูดนานที่สุดไม่ได้ดูว่าจะทานอาหารมากอาหารน้อยนั้นอยู่ตรงไหนทางสายกลางอยู่ตรงนี้หนึ่งท่านจะรู้ทางสายกลางต่อเมื่อท่านมีเป้าหมายมีเอม็มมีจุดหมายปลายทางท่านมีจุดหมายปลายทางแล้วท่านวัด สมมติว่าที่ลกยิมมิตหนึ่งวงกลมๆแล้วก็เป็นธรรมจักรอยู่ตรงกลางนั้นคือจุดศูนย์กลางเหมือนกับเวลาที่คนที่ไปยิงธนูในกีฬาโอลิมปิกเขาจะมีเป้าของเขาเป็นวงกลมซ้อนกันซ้อนกันจนกระทั่งจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางเป้าอยู่ตรงกลางแล้วเขายืนอยู่ตรงนี้นะฮะกับเป้าตรงนั้นเนี่ยเวลาเขายิงไปนั้น ระยะทางซึ่งสั้นที่สุดระหว่างจุดที่เขายืนอยู่กับจุดกลางของเป้านั่นคือทางสายกลางท่านยิงสูงเกินไปจากจุดกลางนั่นก็ไม่ถูกซ้ายไปขวาไปต่าไปไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางคือจุดที่สั้นที่สุดระหว่างลูกศรที่ท่านอยู่นี้กับจุดตรงกลางนั่นสั้นที่สุด ไม่ขึ้นไปไม่ลงต่าไม่ซ้ายไม่ขวานั่นคือทางสายกลางนิพพานอยู่ที่นั่นมักมีองค์แปดสีสมาธิปัญญานั้นคือทางลัดที่สุดที่จะไปนิพพานถ้าท่านออกจากนี้ไปท่านออดทันทีออกจากสีสมาธิปัญญาหลบนอกห่างแต่ถ้าท่านท่านต้องการที่ไปยังนิพพานนั้นจุดมุ่งหมายของชีวิตของชาวพุนั้น เินสมาธิวัญญาคือมัชทิมาปฏิปทาถ้าทําทำงานลัวชิ้นหนึ่งต้องการให้งานสำเร็จระดมพลังตัวเองทำงานบางครั้งท่านบอกว่าไงทางสายกลางอยากขยันมากเอาธรรมดาธรรมดาแต่อันนั้นไม่ใช่ พระพุทธเจ้าเองเวลาที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นถ้ารู้ว่าตรงเป้าแล้วพระองค์เร่งความเพียร น, นั่งใต้ต้นโพวันสุดท้ายตั้งสมาธิปุญญาขาทิ่วาราพรุ่งนี้จะตรัสรู้ภาพข้างหลังอธิษฐานในใจเลยว่าหนังเลือดเนื้อเอ็นในกระดูกเราจะเคืองแห้งขักสลายไปกระตามถ้าเรายังไม่ ร, รู้สัมมามธิฏฐานเป็นพระพุทธเจ้า เราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งแห่งนี้และดมศัพพะปัญญาศัพพะกำลังทั้งหมดเพื่อให้ไปสู่จุดหมายเราจะบอกว่านั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่พอดีไม่ได้แต่ถ้าเรารู้บางทั้งว่าเรารู้ว่ามันจะสําเร็จมันตรงเป้าจริงๆเราไปอย่างที่พระเจ้าทํานั่นไม่ใช่สุดต่อข้อสําคัญก็คือว่าทำดูกําลังท่านหรือเปล่า บางครั้งบางอย่างงานบางชิ้นท ok <Su> ่านคิดว่าท่านต้องเร่งทำให้สําเร็จแต่ท่านไม่รู้ว่าตัวท่านพร้อมหรือเปล่าหาดไอแตรมันก็ไม่ถึงจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายมีและเราจะต้องถึงด้วยและวิธีใดที่จะถึงจุดมุ่งหมายบางครั้งถ้าเราป่วยเราไม่สบายเราต้องหยุดเพราะขืนทางเราไปเราก็ไม่ถึงจุดมุ่งหมายมันก็ไม่ใช่ทางสายกลางนั่นเอง เพราะฉะนั้นการจะรู้ทางได้สายกลางนั้นเราจะต้องรู้เป้าหมายว่าท่านต้องการอะไรและเอาพวกอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จกกัดการให้ท่านออกนอกทางให้ท่านเฉนั้นออกไปและมุ่งตรงไปยังเป้าหมายอันนั้นข้อสําคัญก็คือว่าท่านจะต้องให้คําจะเกิดความดีควายให้ชัดเจนว่าท่านต้องการอะไรในชีวิตเมื่อท่านมีจุดมุ่งหมายชัดเจนแล้วตัวธรรมะอื่นมันก็จะสนับสนุนท่านที่เราเรียกว่าอิทธิบาททางความสาเร็จ ฉันทะความพอใจต้องการในเป้าหมายวิริยะความเพียรพยายามที่จะระดมไปที่นั่นจิตตะความรับผิดชอบฝักไฟจะเจ่อกับเรื่องนั้นและอวิมังสาการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาเมื่อเจียวมัสสัมมันก็ไฟกระบวนการอิทธิบาทคือทางแห่งความสําเร็จธรรมะที่นําไปสู่ความสําเร็จนั้นจะต้องหนึ่งท่านจะต้องรู้ว่าท่านต้องการอะไรในชีวิตเป้าหมายนั้น ท่าหาความสุขเลยของชีวิตโดยท่ไม่มีเป้าหมายท่านจะพบได้อย่างไรความสำคัญท่านจะต้องมีอันนี้แต่ละคนนั้นมีเป้าหมายไม่ตรงกันไม่เหมือนกันบางครั้งเมื่อเมื่อเราอายุมากขึ้นความความต้องการความเป้าหมายมางทีมันก็ไปอยู่ที่ลูกที่หลายที่ใดกัแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ชีวิตทั้งชีวิตนั้นทั้งหมดนั้นจะไปเป้าหมายเดียวกันเราเชื่อในเรื่องของการเยาว์วัยตายเกิด ไม่ว่าชีวิตท่านจะไปไหนก็ตามเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนั่นคือการหยุดหยุดการเยี่ยหวตายเกิดนั่นคือเป้าหมายสูงสุดสมัมมาบมนีนั่งของรู้สึนะแล้วท่านจะไปถึงไหมนักปราชญ์บอกว่าถึงไม่ว่าท่านจะออกนอกทางเทียงไรท่านอาจจะเป็นหยดน้าท่านดูผลที่มันตกลงมาตกลงมาที่นั่นบ้างที่นี่บ้าง แล้วมันก็รวมกันเป็นแหล่งน้ำ เ, เล็กๆไหลลงไปสู่ลาํลาธารลําธารนั้นสู่ลําคลองลําคลองนั้นไหลสู่แม่น้ําใหญ่แม่น้ําใหญ่เข้าสู่มหาสมุทรจุดงหมายของหยดน้ํานั้นอยู่ในมหาสมุทรจุดงหมายของชีวิตนั้นไปสู่ความทุกข์แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านไปเองความทุกข์มันสักใส่ท่าน วันหนึ่งท่านจะเจอปัญหาท่านจะเจอความทุกข์แล้วท่านบอกว่าท่านต้องไปอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ท่านต้องไปชีวิตเป็นอย่างนั้นนั่นพูดถึงความสาเร็จสูงสุดคือโพธิญาณแต่ชีวิตแต่ละท่านนั้นที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราต้องการชีวิตแต่ละอย่ากแต่ละอันแต่ละตอนไปอย่างไรถ้าอย่างนั้น ขอพูดถึงการพัฒนาชีวิตกันกายกับใจสัมพันธ์กันถ้ามีอะไรเราถึงจะมีความสาเร็จในชีวิตหนึ่งพัฒนากายสองพัฒนาสังคมสามอารมณ์และก็สี่ปัญญาสิ่งที่เราละเลยก็คือเรื่องของอารมณ์รุกจิตชีวิตของคนเรานั้นบางทีอารมณ์นั้นเป็นเป็นเครื่องนำอย่างที่ว่าบางครั้งปวดหูเศร้าหมองอยู่กับใครก็มีปัญหา ปัญหาไมตรไม่ได้อยู่ที่คนอืน่นหนุ่มคนหนึ่งกังวลทุกอย่างกังวลว่าจะสอบไม่ได้กังวลว่าพ่อจะไม่ให้เงินกังวลว่าอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารพันในที่สุดอยู่บ้านไม่ได้กังวลมากเลยไปฟลอริดาพ่อให้จดหมายไปฉบับเมื่อไปถึงที่โน่นแล้วเปิดอ่านนะแกก็ถือจดหมายไปพอไปที่นั่น ไปหางานทำก็ไม่ได้เที่ยวก็ไม่สนุกอะไร ม, ม, มันกุ้มมันกังวลไปหมดก็เลยเปิดจดหมายต้องพ่ออายพ่อเขียนบอกว่าลูกเ อ, อ้ยตอนนี้ลูกรู้สินะว่าสาเหตุของปัญหาสาเหตุของความกุ้มกังวลนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของลูกเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าทำใจไม่ได้มันก็ทุกข์มันก็มีปัญหา จะค่อใหญ่เลยตอนแรกตอนหลังแกมาอ่านอ่านอ่านแล้วจริงอยู่ที่ใจฉะนั้นผู้ที่ชาติตา์ว่ามาโนโบุพันธ์เข้ามาทํา ม, มามโนเศรษฐามาโนโมยาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหวหน้ามีใจเป็นเศ ท, ที่สุดสำเร็จที่ใจถ้าเราปรับใจมองสิ่งต่างๆในแง่ดีในแ ง, นแง่ของความหวังในแง่ของความสำเร็จเราจะมีกำลังใจ คนบางคนนั้นเพราะแค้ไม่มีศรัทธาไม่มีกันท้าไม่มีความต้องการดูถูกตนวเองคิดว่าตัวเองไม่สามารถทำไม่ได้งานใหญ่ยอย่างนั้นใครจะทำได้อย่างไรแต่เขามีโครงบทหนึ่งพูดถึงน้ำขมมันไม่ดูถูกตัเองเพราะน้ำขมมันก็มีค่าฝนที่อยู่บนฟ้านั้นเป็นมาจากน้ำขมนั่นเอง เขาพูดแบบว่าน้ำเน่าขังท่อข้างถนนมันย่อมเป็นเมฆฝนแห่งฟ้าถึงต่ำแต่หมายผลอันเลิศเพียนเปลืองกาดนิชาย่อมขึ้นภูมิสวงต่ำจะรู้ถูกตนเอง วัดที่สูงเรายังขาดที่สูงนะใครสูงมากเราไปวัดเรายังขาดวัดที่ต่ําเรายังเหลือเราก็สูงบางคนนั้นดูแต่ที่สูงทอแท้ไม่ดูท่ําบางคนดูแต่ที่ต่าประเมินตัวเองสูงเกินไปฉันเป็นดาวข้างขวาประมาท ก็ตกได้เหมือนกันนะผีคุ้งใตคือดาวตกแล้วนี่เขาบอกว่าถึงเป็นดาวคู่ฟ้าเดือนปีก็ดีวันหนึ่งจกเป็นผีพุ่งใตอย่าดูหมิ่นปัทภีเหยียบย่ำใดเลยลางแห่งซ่อนเพชรไว้ฆ่าล้ำภายหลังอยู่ที่ใจ อยู่ที่เราเมองอยู่ที่ความเชื่อมัน่นอยู่ที่ความหวังใจจึงเป็นตัวนำจิตเตนะมีติโลกเโลกโลโกโลกนั้นอันจิตนาไปเราจะไปทางไหนถ้าผู้เรียนชัดก็คือว่าท่านจะเป็นคนเช่นไรนัรน้ น, น, น, ไ, นไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านคิดว่าท่านเป็นคนเช่นไรอีกครั้งท่านจะเป็นคนเช่นไรไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านคิดว่าท่านเป็นคนเช่นไร ท่านเป็นคนเช่นไรขึ้นอยู่ว่าท่านคิดอะไรความคิดคือท่านท่านคือความคิดสันโละแล้วทั้งหมดที่ท่านคิดในตัวท่านถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวคิดอะไรต่างๆนานาทั้งหมดจะดีจะชั่วอะไรก็ต่างอยู่ที่ <unanimously. S 1> เป็นท่านในขนาดนี้เพราะร่างกายไม่ใช่ตัวท่านเวลาตายปุ๊บความคิดหมดไม่ใช่ท่านแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวท่านเองนั้นคือความคิดต่างๆนั้นจะดีจะชั่วอะไรต่างนั้นคือ เราฉะนั้นในกรณีนี้ในประเด็นนี้นั่นคือว่าถ้าคิดในทางลบเราก็ทอแท้คิดในทางบวกไปแล้วก็ผู้มหมายทำาไรจึงจะมองโลกในความเป็นจริงปัญญาอารมณ์ที่ไม่ได้รับการปรับปรุงเราก็มีปัญหาเองใจของเรานั้นฟุ้งร้านเอง มันกับหลวงพ่อที่เมื่อทำเคยพูดบอกคุณน้าเกิดมหาธาตเลี้ยงมาตัวนึงมันมึทุกเดี๋ยวมันเป็นนอนบนตรงนู้นเดี๋ยวมันพุ่งไปตรงใต้ต้นอโศกเดี๋ยวมันไปกัดกระถานุ่นเดี๋ยวไปนู่นทําไมไม่อยู่เป็นสุขจับมันมาดูปรากฏว่าหัวมันเป็นแผลท่านก็เลยบอกว่าใจให้คนที่มีแผลที่ไม่มีความสงบในทางอารมณ์นั้นก็ปัญหา ใจที่เป็นแผลก็คือว่าไม่มีการพัฒนาถึงเรามีการพัฒนาทางกายทางสังคมและทางอารมณ์เราไม่ดีเราเป็นไงโกรธลิสยาอาฆาตบางครั้งคนบางคนนั้นมองในที่สูงและอิจฉาลิสยาตัวเองไม่มีความกำเมร็จเลยนิสยาความนิสยานั้นทำให้คนมีความทุกข์และเสร็จแล้ ว, ลวดูถูกความสำเมร็จของตนเอง เห็นทรัพย์ของคนอื่นเป็นทองโอ<ฮ>้ยใหญ่โตวแหวนเ็ชรระมีเพชรเกินคนอื่นทำหน้าแบบว่าแบบว่าทำไมรถของมันวิ่งดีเหลือเกินของเราหัอเปลี่ยนสักทีท <c oughs> ก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ทุกข์ <c oughs> ในที่สุดเป็นไงแพ้ภายตัวเอง <c oughs> โลกหนึ่งวิทยาหนึ่งเรามีการพัฒนา <c oughs> ไม่มีความสุข มีคนสองคนในโลกกันนายฤทยาเป็นเพื่อนกันในโลกกันนายฤทศยาได้ข่าวว่ามีเทพพิดาอารั ก, กษ์ศักดิ์สิทมากให้พรอะไรสมใจทุกอย่างไปขอจะได้สําเร็จสมใจทางความไรอยู่ที่นี่โดบนใหญ่บนหลายวันเข้าเทพพิดาอารักษ์ลำคานขึ้นมาก็จะเปิดกฎกายขึ้นมาถามคนสองคนบอกว่าต้องการอะไรสองคนก็บอกว่าอยากจะขอพรครับจนเหลือเกิน ทพดาก็เลยบอกว่าเอางนี้นะเราสองคนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมบอกใช่รักกันมากใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้ทูดาบอกว่าใครจะขอก่อนใครขอก่อนเสียเปรียบนิดหนึ่งเพราะคนที่ขอทีหลังนั้นจะได้เป็นเท่าตัวปัญหาเกิดอะไรในโลกกับในนิสสยาในโลกถ้าขอก่อนได้ครึ่งเดียวไม่เอา อยากจะได้เยอะๆส่วนนายวิทยาคิดว่าถ้าฉันข อ, อก่อนในโลกก็ได้เยอะวโอชะอิจฉัฉยทำยังไงเตียงกันไปเตี๋ยงกันมาฉันขอเลยันขอเลยจะตีกันตายเจ็บดาก็ะลงพันบอกเข้ามาดีละคนไหยเอาเข้ามาดีละคนแล้วขอเหมือนกันด้วยจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้แต่ว่าจะได้เข้าตัวเลยเอาเข้ามาในวิทยาเลยเข้าไปก่อน เพราะในโลกมันก็อยากได้เยอะอยุคที่หลังพอในวิทยาเข้าไปขอพรเข้าไปในศาลนะในโลกมองไม่เห็นนวิทยาเขาบอกว่าขอให้ตาบอดข้างหนึ่งตาบอดข้างหนึ่งในแล้วก็ออกมานะเดินเอียงข้างไนมะ <c oughs> ่เห็นตาบอดหตาบอด บอกได้แนละ้วบอกกับเพื่อนในโลกบอกได้แนละ้วดูจริงๆได้ผมใจเลยอืเดินยิ้มไม่ได้ติใดใ า, นะดาให้ไม่ให้เห็นฝ่ายในโลกก็สงสัยมนได้ของดีเนะี่ยเราต้องขออย่างเดียวกันนั่นแหละเข้าไปบอกท่านเทพดาเพื่อนข้าพเจ้าขออะไรข้าพเจ้าขออย่างนั้นแหละเทพดาก็เลยลให้สองข้างเลยบอกโป๊กของพยาพะคัง เขามีเขามีบอกข้อแม้ว่าใครอ่านสามจบครบไม่ได้คันหิ่งมากป้อมาอ่านจบเดียวแต่จำเรื่องได้ <c oughs> คนทิจาลาที่ตุดในเรื่องนั้นในสามกกชื่อของเบงผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรสามกกมันจะมีกกหนึ่งกกของโจโฉ เมืองหลวงมีห้องเต้มีกระสับมีอะไรต่างๆนั่นก๊กหนึ่งก๊กที่สองก๊กของเล่าปี่เล่าปี่ที่มีของเบ่งเป็นแม่ทัพก๊กที่สามก๊กของสุนกวนมีจิวยี่เป็นเสนาใหญ่รบกันตอนรบนตอนต้นเนี่ยนะโจโฉมาจากเมืองหลวงมีทหารเกือบหลายแสนเกือบล้านคนจะมารุมสองก๊กก๊กของโจโฉมา แต่แล้วเล่าปีกับสุนกวนเลยต้องรวมตัวกันสู้กับโจโฉพอรวมตัวกันแล้วเป็นไงคงเบ้งของเล่าปีจิวยี่ของสุนกวนต้องมาช่วยกันคิดรวมตัวกันว่าจะสู้โจโฉอย่างไรเึ่งคิดอย่างไรตกลงไปไงวางแผงนหนีมายังคาบมายังคาบสมุทรซึ่งเป็นเกาะ โจโฉจะโจมตีต้องใช้กองทัพเรืออย่างใหญ่ข้ามในน้ํามาคงเม้งก็ออกอุบายกับจิวยี่บอกว่าส่งส่งคนไปแนะนําโจโฉให้ใช้กองทัพเรือบุกแล้วทหารเมาเมาขึ้นไม่เคยลบคนก็แอบไปแนะบอกว่าให้ผูกเรือติดกันพอติดกันแล้วคลื่นเท่าไรมันก็ไม่ไม่ทําให้เรือไหว คนก็จะไม่หมาดขึ้นโจโชก็เห็นดีด้วยนะผูกเรือติดกันหมดเพราะจะได้ระดมทหารวิ่งซ้ายวิ่งขวาได้พอผูกเรือติดกันปุ๊บทั้งฝ่ายของเบ้งก็ออกกุมารแล้วครก็คือจิ๋วยี่นี่อิจฉา ข, ของเบ้งเพราะของเบ้งฉลาดกว่าแปรซุนกวนนั้นเป็นก๊กใหญ่กว่าก๊กของของเบ้งของจิวยี่ก๊กใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นกล่าวว่าเสร็จสึกนี้จะท่าของเบ้งถึงจิวยี่อิจฉา ก็หลอกผมเองต่างงาบอกทําด้วยกันนะเสร็จแล้วก็แอบส่งคนไปจะฆ่าผมเองผมเป็รู้ไอ้สุดของเบงก็บอกว่าจะขอไปนั่งการที่จะเ่เขาเรือของโจโฉดนนั้นจะต้องให้ลมมันมาจากทิษนี้งตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเบงจะ ท, ทําพิธีเรียกฝนเรียกลมเรียกอไรต่างๆไปผูกเรือเล็กๆพายนู่น ท, ท, ทําพิธีอะไรต่างๆความจริงจะหาทางหนี แล้วให้คิวยี้นั้นเตรียมเพลิงแรงต่างไปเผาเรือคงเิ่งไม่ใช่หมอดูแต่รู้ว่าทิศทางลมนั้นมันจะพัดไปทางไหนในช่วงไหนเดือนไหนเขาอาศัยภูมิศาสตร์ในในด้านนี้เพราะฉะนั้นกําหนดวันวันนั้นเลยว่าลมมันจะพัดหวนไปทางทัพโจโฉเพราะฉะนั้นก็ออกอุบายว่าให้ทั้งฝ่ายคิวยี้นั้นต้องการจะไปสว่ามวิพัฒน์กับกองทัพของโจโฉ เอาเรือสิบลำมันทุกทหารและจะ ล, ลอบหนีไปเวลากลางคืนเพื่อไปหาโจโฉให้โจโฉคอยรับแต่ในเรือนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เชือกเพลิงปืนอะไรต่างๆและว่าน้ำมันลาดเอาผ้าดำคลุมเรือสิบลำแล่นไปหากลางคืนโจโฉก็เตรียมรับนึกว่าคนมาสวารค์นี้พักท้ายเรือที่คลุมดานั้นสิบลำนั้นมีเรือเล็กๆถูกติดไว้ แล่นเรือไปอย่างเร็วเลยไปหา ก, กองทัพเรือโจโฉลมแรงมากพอใกล้เข้ามานั้นก็จุดเพลิงลงไปบนเรือทั้งหมดไฟก็รุกท่วมเป็นลูกไฟเรือทั้งหมดก็ชนเรือโจโฉไม่หมดไหมทั้งกองทัพพอจัดการทางนี้เสร็จจิวยี่กะจะไปฆ่าของเบ้งคงเบ้งหนีไปแล้วพอหนีไปได้จิวยี่ช่วงหลังตอนหลังก็อิจฉามาก มีข้างหนึ่งโดนเกาทันคงเบ่งก็ไปยึดทัพทัพยึดเกาะยึดเมืองอไรได้เจริญรุ่งเรืองฉลองกันใหญ่จิวจี้นอนป่วยบนเตียงคนก็ข่าวมาบอกบอกตอนนี้นั้นคงเบ่งฉลองชัยชนะครั้งใหญ่จุดพุ่จุดไหลกันใหญ่ด้ยินเสียงมีน่นจิวี้ได้ยินแค่นั้นความเฉาี่ยพุ่งขึ้นก็อาเลือดตายก็จะตายจิวจี้บอกว่าไง จิ๋วบอกว่าฟ้าส่งให้จิวยี่มาเกิดขนานจะต้องส่งของเบ่งมาด้วยเราคิดตามความสำเร็จนั้นจิวยี่ก็ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงมีทุกอย่างแต่ความวิฉาเลียนนี้นั้นปิดบักถ้าดูเรื่องหนึ่งท่านได้ยินแต่ของเบ่งแต่ไม่ได้ยินว่าของเบ่งนั้นจบมาจากสำนักแห่งหนึ่ง มีลูกมีเพื่อนคนหนึ่งที่เก่งกวเรของเบ่งชื่อหองสูของเบ่งคือมังกรหองสูคือหองทองสองคนจบมันจะที่เดียวกันแต่ของเบ่งประสบผลสาเร็จกว่าเพราะอะไรหงทองหองสูนั้นเก่งเท่ากันแต่ความอิจฉาริษยาบังตาลบทีไยนั้นของเบ่ง ไม่มาอาสาอยู่ด้วยกันฮะคงเบ่งไปรถทไหนก็ชนะก็นําทัพชนะหมดคงทองก็เลยบอกอาสาบา้างท่านจะต้องนําทัพไปให้ได้ชัยชนะก็นําทัพไปใหญ่ตามข้าสึกเข้าไปคงเบ่องอย่างนี้นั่งดูดาวบอกเอ๊ะดาวถ้าจะไม่ดีดาวของเพื่อนท่าจะไม่ดีแล้วก็เลยสอบถามว่าเพื่อนกําลังบุกไปที่ไหนก็มันจะบุกไปที่นั่นตำบล น, นั้นคงเบ้งก็ส่งสารมารบอกว่าคงทองอย่าไปเลยอันตรายแต่คงทองบอกว่า ขงสู่บอกว่าฉันต้องชนะน่ะที่ส่งสายมานี่สแสดงว่าอิจฉาจิตทานต้องบุกต่อก็ตามฆ่าศิกเข้าไปในหุบเขาคุบเขาทั้งสองเป็นปีเชิงเขาใหญ่พอเข้าไปเอ๊ะทำไมมันเงียบแท้ก็เลยถามถามคนท้องถิ่นว่านี่ชื่อตําบลอะไรคนที่บอกบอกนี่ชื่อตําบลหงร่วงพอหงร่วงแลนันชักมา พอชักม้าจาับกเกาทันก็เสียบตรงร่วงจริงๆจากหลังมาปัญญามีแต่ความอินชาริสยาบังตาพัฒนาทางอารมณ์ไม่พอและการต่อมาความโกรธี่พูดถึงคํานันสูงในัจความโกรธนั้นเป็นมูลฐาน ที่ทำให้เราไม่ประสบความสุขโกรธพราะโกรธแล้วปไปมองมันก็ฝ่ายที่ไหมเราจะระงับดับได้อย่างไรคือพูดหลายครั้งแต่ขอสรุปอีกทีว่าพัฒนาทางอารมณ์นั้นวิธีที่จะระงับชะลอความโกรธนั้นมีหลายอย่างแล้วแต่คนบางคนก็โวลาณเขาให้นับ 10, หนึ่งถึงสิบเวลาไม่พอใจใครอะไรหนึ่งองสามสีทห้าบกเจ็ดแปดเก้าสิ บางคนลุงพ่อ บ, บางองค์ใช้วิธีแบบนึกจิตนาการนะเป็นตาช่งางหน่อเอามันมาใส่สองด้านช่างให้มันเท่ากันช่างมันช่างมันช่างมันช่างมันอย่าให้ไปถึงขั้นช่างแม่มันเอาเอพอดีเอาพอดีบางคนไม่หายนะ คนไม่หายไม่แต่พระพระพระพุทธองค์กโมโหเหมอือนกันไปสวดไปสวดงานหนึ่งจะภาพแต่งงานใหม่ก็ฉลองพระกําลังสวดอยู่กําลังฉันอยู่ก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังม่านนั่งข้างหลังม่านภรรยาสามีบอกอถวายแค่ยี่สิบก็กพอองค์แค่ยี่สิบภรยามอกโอ้ยไหนงานสาคัญนี้เอาสักห้าสิ แม่ยี่สิบพากบอกเอ๊ยังไงอยู่บ้านเทียงนี้นั่นเนี่ยพรยาห้าสิบสที่ยี่สิบรยายี่ห้าสิบห้าพี่สามีบอกให้แม่มันร้อยป็นไงพะสะดุ้งอันนี้มันเกินไปนะ ทีนี้มาบางทานนั้นใช้วิธีของท่นานพระปุณณมันตานีบุตรท่นานพระปุณณมันตานีบุตรนั้นไปนลาพระเจ้าจะไปเผยแพร่าศาสนาที่ชายแดนเพราะว่าที่นั่นน่ยคนดุมากด่าพระทุกวันถ้ามีโทรศัพท์จะด่านโทรศัพท์ ใสบาทด้วยการอิดอะไรทัมองเนี่ยพอพระปุณณนะจะไปที่นั่นผู้ที่ไปลาวหรือยังไม่ไดก้ดกระถามถ้าเกิดคนที่นั่นเขาด่าเธอทําไงปุณณนะไปไหวนี้ถ้าเขาด่าเธอเธอจะทาไงอันนี้น่าจะถามพระที่จะมาเผยแผ่ศาสนาต่างประเทศได้ทั้งทาทางทไงข้าพระองค์มืคิดว่าเขาด่า ดีกว่าเขาใส่บาทด้วยกันอิดดีกว่าเขาเอาก้อนอิดมาปาฝากระจกแตกถ้าเขาใส่บาทด้วยกัอนอิดทำไงพระเจ้าถามอีกขับลงกันไึกว่าดีกว่าเขาเอาไม้มาตีถ้าเขาตีเธอรับลงกันไึกว่าดีกว่า เขาฆ่าว่าถ้าเขาฆ่าเธอละ่ะข้าพระองค์ก็ น, นึกซะว่าดีกว่าเราไปฆ่าเ้าสาธุเป็ <c oughs> ะยากไปได้ต่อผ่านท่านบอกโอ้เรื่องนี้ทำยากจนมากเมื่อทาถึงขั้นสองขั้นสามนึงเขาด่ามากับตีละ อ, องนี้ทนั้นเอาแบบหลวงพ่อ พอดีเนาะเคยเล่าแล้วแต่อาตมาไปเห็นมาจริงๆอยนี้ไปเห็นรูปของท่านที่วัดอามัชชิมาวะเจหวัดอุดอรหลังจากที่เคยเล่าที่นี้ก็ไปก็ไปสอบถามคนนับถือท่านมากคือท่านมองอะไรดีเนาะดีเนาะ ห, หมดฝนตกก็ดีเนาะแดดออกก็ดีเนาะผู้หญิงร้องไห้มาบอกสามีตายแล้วตายก็ดีเนาะใครด่าก็ดีเนาะ ครั้งหนึ่งในหลวงจะเสด็จที่วัดมัชชิมาวะเจ้ารุดอนโยมก็มากระซิบลุงพอ่อเจ้าฟ้าจะแผ่นดินมาลุงพ่อจะไปพูดดีเนาะดีเนาะนะต้องพูดเจริญพรมหา ม, มพิตรนะลุงพ่อนะอะดีเนาะไ ม, ไม่ไม่ต้องพูดพึกลุงพ่อฝึกใหญ่เลยนะดีเนาะเจริญพรมหามพิตเจริญพรมหาบพิตรท่องท่องไป พอในหลวงองค์ปัจจุบันนีฮะเสด็จมาจริงจริงเจริญพรอยู่ด้วยสามคำนอกนั้นก็ไม่ว่าในหลวงตัดอะไรนะหลวงพ่อราบอกดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงอย่างนั้นแหละกลับในหลวงสเสด็จกลับกรุงเทพปีนั้นเลื่อนสมณศักดิ์ท่านจากชันราษฎเป็นชั้นเทพพระท่านอยู่จังหวัดตั้งชื่อสมณศักดิ์ว่าพระเทพวิสุทธาจารย์ สาธุอุทานรรมวาทีสาธุเลยว่าดีนอนเดนี๋ยวนี้ยังมียังมีรูปขอรถนั้นธวาเไปดูเข้ามาใช้นี่เป็นลักณนะอนไรแต่บางคนก็ออย่างพระเจ้าสามีภริยาคนหนึ่งสามีนักสือศาสนากลางภริยานักสือศาสนาพุทธเข้าวัดไม่ค่อยถูกกัน เวลามีงานทีนะสามีก็เชิญสามศา ส, สนาอื่นมาเลี้ยงมาถวายอาหารพอรุ่งขึ้นภรรยายมุนพระอย่างเงี้ยตีเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยานางสามีเชิญสามมาถวายอาหารภรรยาก็เป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟสามีประเคนภรรยาไปคนอาหารมา พอเดินถือประคองมานะภรรยากาลังถือประคองมาแล้วเดินท่าไหนสะดุดพอสะดุดปุ๊บจานนั้นก็หล่นโครงกริ้งก็คนมองเป็นตาเดียวภรรยาก็เลยอุทานถ้าเป็นแบบคนไทยก็แบบคุณพระช่วยอะไรนแต่ภรรยาอุทานว่าโนโมตโตซาภควาโตทาโตสมาราโพสะยาวเหยียดเลยพรานซึ่งนับเป็นศาสนาอื่นได้กำลังทานอาหารได้ยินคำนั้นก็ อเครื่องมากเลยนี่พวกเดรัจีพวกนอกศาสนาหลอกเรามาทานอาหารนี่สงสัยมันจะใส่ยาพิษบางคนกำลังเปิบข้าวทุ่งมองทิ้งหมดไม่ทานต่อลุกกลางงานกลับบา้านกลับเลยสามีเื่องมากเลยมหมโหสุกขีดแล้วเพร่อเสียหน้ามากพระกลับอย่างนี้สามกลับปีเข้าไปจะตีภรรยารเขาไม่กล้าเพราะกลัวเนียกลัวหยุด เล่นหานพระเจ้าดีกว่าฟ้ากระบองอันใหญ่ไปวัดไปหาพระเจ้าต้นเหตุอยู่ที่นี่เคาะประตูถ้าเป็นสมัยนี้ก็ล็อกแน่นพระเจ้าเปิดฝามงินขยับไม้แล้วถามสำนักประดมค่าอะไรที่ได้มันถึงจะสบายใจนะไม่ไม้เป็นเราก็จะเดี๋ยวหร้แล้วขวาเลยเนะี่ย ข่าอะไรก็ได้นั่นจะสบายใจนะพระเจ้าตรัสว่าโกทังฮัตวาสุขังเสติข่าความโกรธในใจของคุณจะได้และจะสบายมีความสุขจุดเลยแต่ถ้าสมัยนี้ต้องพูดเสร็จต้องดูทางอิทีิไล่ <c oughs> บอกอย่างนี้ก็ไม่ไหวสิคือ ด, ดับความโกรธของเราในใจนะ แต่เกิดมันโมโหขึ้นทำไงสติมาไม่ทันอ่ะก็มีวิธีหนึ่งท่องคล้อนอันนี้ไปมีวิธีใหม่คุณแมกเอาไปบอกพยาบาลเพราะชอบใส่คนไข้นะ้าขมึงใส่คนไข้คนไข้จะชอ็อกผู้ที่เมืองไทยจดกันใหญ่วิธีทำอย่างนี้เอาก็จบมาบาล เวลาโกรธขึ้นมาเอากระจกมาส่องแล้วท่องก่อดแบปนี้ถึงยามกโกรธโปรส่องมองกระจกดูวิตกอกเต้นเมื่อเห็นหน้าช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตาดังยักษ์าลาสีไม่มีเลยแต่อย่าทุกกระจกเขาเละท่องก่อนสติเขาเนั้กคือสติ สติตัวสั่งนี่หวารงสติเป็นเรื่องคุมเว้ต่างพัฒนาอารมณ์วิธีที่พัฒนาอารมณ์นี่ก็คือใช้สมาธินั่นเองทําให้จิตพัฒนาข้อสุดท้ายพัฒนาปัญญ า, าจริงอยากจะพูดในหลายเรื่องด้วยกันไอ้เรื่องเดียวค<ะ>ไม่ได้ยินคิดเรื่องก็ได้ โอ้ไม่มีมอินเตอร์มิชันวเนี่ยโอ้ตีตัวยาวเลยเครื่องร้อนพัฒนาปัญญาปัญญานั้นอย่างที่เคยพูดีกครั้งที่แล้วนั้นคือความรอบรู้คือมองอะไรให้เป็นระบบแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีไม่ได้พัฒนานั้นจะเป็นอย่างไรมันก็จะออกมาในรูปอย่างนี้ว่า ปัญญาที่ขาดการพัฒนานั้นจะมองอะไรสั้นๆอยากได้อะไรนะทำแค่นั้นไม่คิดไก่เหมือนกับจีนก็พูดถึงคนคนหนึ่งอยากจะรักกระดิ่งที่ติดอยู่กับลังคาโบดหดังกุ้งปิ้งกุ้งปิ้งสวยดีทำยังไงถึงจะได้ปกติกระดิ่งเนี่ยถ้ามันลมมันสงบมันจะไม่ไดัง พอเราไปจับมันมันจะดังทันทีคนเจ้า ข, ของมันจะรู้แกก็เลยบอกโอ้ยกระดิ่งมันดังเพราะอะไรรู้แล้ววิธีป้องกันไม่ให้กระดิ่งมันดังไม่ให้คนได้ยินก็คือว่าหาอะไรมาอุดหูตัวเองพออุดหูแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วก็รักกระดิ่งกระดิ่งดังก็ไม่ได้ยินบอกกระดิ่งไม่ดังปัญญาในลักษณะของปัญญานั้นแก้ปัญหาแต่มา้ถึง ครอบครัวนหนึ่งลูกสองลูกมาเรียนที่นี่แล้วมาแล้วเนี่ยไม่เคยเขียนจดหมายเลยไปหาพ่อหาแม่ไม่เคยเลยคือได้เงินประจำตีหนึ่งเพื่อนจะตอบไปทักทีหนึ่งพ่อก็ไปบนกับอาอาก็ไปถามพระพระอบอกอาศายจะทำให้จะเขียนไปแล้วจะให้ตอบมาทันที จะเให้อาให้อาส่งเนะบอกอาทําอย่างนี่นะแล้วเขาจะตอบมาทันทีทําไงทางโนไม่เชื่อเนะขาเคยทำมาหลายครั้งแล้วไม่เคยตอบเลยท่านอ่าก็เลยพลากเลยบอกอาบอกว่ามีแค่จดหมายใหม่แล้วก็บอกว่าส่งเงินมาสองร้อยเหรียญพร้อมจดหมายนี่ได้รับแล้วตอบที่ทราบด้วยแต่ส่งแต่จดหมายอย่าส่งเงินเปิดจดหมายไม่เห็นเงินเนี่ เขียนมาถาใหญ่ไหนว่าส่งเงินมาไม่ห็งมีรักบาดเพราะฉะนั้นปัญญาจะมีสองอย่างปัญญาหนึ่งทางโลกนะอย่างคำที่เราใช้ทรัพ์นี้อยู่ใกล้ใครปัญญาไวยหาได้บ่ดนานทั่วแว้นแดงดินมีสิ้นทุกสถฐานผู้ใดเกียดคา้านบ่ผ่านพบเลย นี่คือปัญญาที่หาลิงค์ชีแต่ปัญญาประเภทหนึ่งก็คือปัญญาที่แก้ปัญหาได้เมื่อเราเผชิญปัญหาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยท่วมทับนั้นส่วนใหญ่ยังไงปัญญามาไม่ทันพอเจอปัญหาเจออุปสรรคปั๊บยิ้มก็ไม่ไหวแล้วมืดหนักเรื่องใหญ่เหลือเกินแล้วส่วนใหญาสังเกตไหมพอเราเจอปัญหาปุ๊บเราจะรนแรงเราจะแก้ยังไงอย่างนี้ในทสุด เหลวท่านเคยเข้าไปในห้องมืดสมว่าท่านมาจากที่สว่างปุ๊บพอเข้าไปในห้องมืดเนืออยู่อย่างนี้นะเข้ามาเป็นห้องปิดแน่นเลยเนี่ยไม่มีแสงเปิดไฟอยู่พอไฟดับปุ๊บมืดสนิทท่านอย่าเพลินไหวอย่าวิ่งวิ่งแล้ว คนนู้นชนนี่โครงขามหกลมหัวแตกท่านต้องรอเวลาให้สายตาของท่านปรับเข้ากับความมืดเสียก่อนให้เข้ากับความมืดแต่พักเดียวท่านจะมองอะไรเห็นโอจะไปทางไหนข้อนี้ฉันใดอย่างที่ท่านเจอปัญหาอะไรใหญ่ท่วมทับมาอย่ารีบวิ่งหยุด ตั้งสติมองดูให้ตางปัญญามันชินแล้วท่านจึงจะรู้ว่าควรทำอะไรปัญญาจะมาทันถ้าท่านคุมจิตของท่านได้แก้ปัญหาได้พัฒนากายสังคมตารมและปัญญาเป็นวิธีที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายแต่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายตั้งจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน แ, แล้วก็ระดมสรรพสิ่งสรรพปัญญาด้วยบริวนาการ น, นั้นทั้งหมดไปสู่เป้าหมายเพื่อความสาเร็จในชีวิตท่านต้องการอะไรบอกให้ชัดเจนทางลับหรือทางสายกลางไปสู่ความสําเร็จนั้นท่านรู้โดยระดมพลังกายอารมณ์ปัญญาอะไรต่างๆไปสู่เป้าหมายเจอปัญหาอย่าท้อแท้ นึกถึงต้นไม้ที่มันจะเข้มแข็งเพราะมันมีวงปีนึกถึงเวลาที่ไฟดับท่านจะต้องหยุดอยู่นิ่งสักพักหนึ่งให้สายตามันชินอย่าล่นลายนและถ้าหากว่าเรื่องนั้นมันท่วมทับจนท่านท่านแก้ปัญหาไม่ได้บางครั้งมาอย่างท่านล้มละลายแดงรับซี้ท่านจะทำอย่างไรความย่อยยับย่อยยับที่เห็นเอยู่อย่างนี้ แผ่นดินไหวบ้านที่ถูกไฟไหม้ไปกับตานี้ยท่านจะทำอย่างไรชีวิตที่ประสบความสเร็จนั้นไม่ใช่ชีวิตที่บุกอย่างเดียวต้องรู้จักถอยกองทัพที่ชนะไม่ใช่บุกคื้นทื่ไปต้องเหลือทางถอยไว้ให้ตัวเองบ้างรี s i g n นช i o n ในบางครั้ง ขับรถไปไม่ใช่ว่าจะตะบึงตะบึงตะบึงที่มันถึงปลายทางอย่างเดียวบางครั้งสโนโลงบางครั้งรถติดบางคนรถติดนันเครียดปุกระจมันมันมันติดอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้อะไรมันดีขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนทัศนะค่าทีใช่ไหม ย, ยอมรับสภาพแบบนั้นมองต่างๆตามความจริงถ้าสูญเสียอย่างที่รกระถาว่าเสียไปก็หยุดมัะ อย่าร้องไห้หานมพกบางครั้งบางคนนั้นทนไม่ได้กับการสูญเสียเดยวคนเนีเก้เขาเล่าสมัยที่เขาเป็นเด็กเขาใส่แหวนในนิ้วมือเขาใส่แหวนแล้วตามราษาเด็กเขาก็ขึ้นเป็นหน้าตาดด่างาโดดคือฝ่ามือเขาโดด พอโดดลงมานะแหวนเนี่ยที่สวมเนี่ยมันไปเกี่ยวกับตะปูโดดลงมาโดยไม่มีแหวนติดมันด้วยนิ้วก็ติดอยู่กับแหวนนู้นล้องจ้ากเลยเสียแหวนไม่เท่าไรแหวนนี้เอาคืนแต่เสียนิ้วตั้งแต่นั้นมาเอาคืนไม่ได้เขาก็เสียใจกับมันเข้าใจกับมันหลายปี จงมุ จ, จกนกระทั่งไปเห็นคนตาบอดเดินข้ามถนนร้นองเพลงด้วยยิงย่งยิ่งโอ้เขาเสียตายร้องเพลงกับเรานี่เศร้าใจนิ้วเดียวเขารู้จักทำใจเมื่อเสียก็ต้องเสียอย่าเอาหัวชนกำแพงสิ่งบางอย่างนั้นแก้ไขไม่ได้ ญาติตายลูกตายอะไรมันเราจะต้องอเผชิญทย่งนั้นบางคนนั้นเศร้าตรงระบมอยู่กับเรื่องนั้นไม่รู้จักปล่อยเพราะไม่รู้จักปล่อยเลยไงมันก็ดาวตัวเอง break down ต่ำมันไเลยด้มือนถึงจุดเพราะฉะนั้นทายความสำเร็จไม่ใช่บุกอย่างเดียวแต่ไม่เหลือทางถอยไม่เหลือที่พักใจให้ตัวเอง เราจะต้องเตรียมใจสำหวับความผิดหวังหลงเหลวถ้ามันเกิดทำใจได้แล้วก้าวต่อไปเสือบาดเจ็บเขายัางเรียแผลได้คนที่ขับรถเหลียวถูกจับเขายัางไปดูภาพยนตร์ดูทำอะไรต่างๆกลับมาใหม่ชุดก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในการถอยในการปล่อยวางในบางครั้งกับเรื่องที่ยิ่งยิ้มนั้นช่วยให้สุขภาพจิตของเราดีฉะนั้นทั้งหมดนี้มีเป้าหมายมีความเข้มแข็งเดินไปจุดศูนย์กลางไปตรงเป้าที่เราต้องกาเรเจอปัญหาอย่าท้อแท้แต่ถ้าปัญหานั้นแก้ไม่ได้ปล่อยวางทำใจแล้วเราก็จะมีสุขภาพจที่ดีเข้มแข็ง กายสังคมอารมณ์ปัญญาพร้อมที่จะไปคือจุดหมายทั้งหมดนี้คือเรื่องเพื่อความสาเร็จทางจิวิตและแต่ว่าท่านต้องการความสาเร็จประเภทไหนอย่างไรฝากไว้แก่ท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้ในวันนี้ที่ฝากเอานั้นเป็นคําพูดเป็นคำเทศซึ่งเป็นธรรมทานคิดว่าท่านทั้งหลาย จะจดจำนำมาปฏิบัติและจะมาเชื่อคำคำหนึ่งที่กล่าวว่าอันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันรับหายในภายหน้าถึงจะเลื่อนรับหายจากสายตาแต่ไม่ลาลับหายจากสายใจกจบ จะพักหรือใครยังมีปัญหาอถางอะไรพักก่อนเรื่องนั้นก็แลิกแต่แล้วแต่พิธิกรอยู่ไหน